ก็ต้องลงมือทําหรือทําด้วยตัวเองจะไปบนบานสารกล่าวจะไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นหรือว่าพึ่งพาอาศัยอิทธิธิปฏิหารอันนั้นไม่ใช่มิสัยของชาวพุทธไอ้ที่พูดไอ้สิ่งอื่นนี่เป็นสิ่งเสริมนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องกรรมคือการกระทามาก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 สัจจะความซื่อสัตว์ก็เป็นธรรมะวิริยะความเพียรก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานเนี่ยถ้าเราทํางานด้วยความมันเพียรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็เท่ากับว่าเราปฏิบัติธรรมอที่ท่านอาจารย์พทธาบอกว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็รวมถึงความหมายนี้ด้วย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 เขาทำงานด้วยความใส่ใจก็ทํางานด้วยความเพียรแล้วเขาทํางานใส่เขาก็มันตรวจตราตรวจสอบใคร่ครวญว่ามีผิดมีพลาดตรงไหนมีอะไรที่ต้องแก้ไขจะทําให้ดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็เท่ากับเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมเรื่องอิทธิบาท4นะี่ก็คือว่าทําด้วยฉันทะแล้วก็มีวิริยะนะแล้วก็มีจิตตาคือความจดจอ่อ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 อันนี้เราก็ปฏิบัติทำนะคือทําด้วยขันติทํำด้วยความเพียรทํำด้วยเมตตามีคนพูดจากระทกระท่างเราเพราะว่าต่างคนต่างหุบหิดแต่ว่าเราก็ใจไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวไม่ต่อเราต่อเถียงอันนี้ก็ปฏิบัติธรรมเพราะเรามีสตินะแล้วเรามีขันติด้วยนั่นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้เพราะว่า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 ความกังวลความวิตกก็ปฏิบัติทำแนละ้วเจริญสตินี่ทําได้กับทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามเราสังเกตรหรือเปล่านะเวลาเราทํางานใจลอยไหมใจมันไหลไปไหมใจมันจมไปหรือเปล่าเนะี่ยส่วนใหญ่ก็นี้ไม่พ้น3ามอย่างนี้แหละใจลอยลอยไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างไหลไปที่บ้านบางไหลไปที่ลูกบ้างที่ พ่อแม่บางบางทีก็ไหลไปคนที่เราชังคนที่เขาหนินทาว่ากล่าวเราเนี่ยหลยไปแล้วเป็นงานจมเลยจมอยู่ในความทุกข์ในความวิตกกังวลในความโศกในความเศร้าในความอัยไล่ลองสังเกตดูใจเราเนี่ยมันก็นีไม่ค้นสามอย่างนี่แหละปกติลอยบ้างหลบ้างจมบ้าง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 พอคนอื่นทำแบบอื่นก็ก็ไปว่ า, ว, าว่าเขาไม่ได้ว่าเขาทาผิดว่าเขาไม่ได้ทำภาวนาอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเสม่ว่าเฉพาะแค่กรรมฐานเพื่อทำให้เกิดสมาธิหรือสมาสมาธินี้ก็มีถึง40อย่างนะเฉพาะเรื่องกระสินเนี่ยก็10อย่างก็ไปลวกระสินน้ากสิไฟกระสินลม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 นะเพื่อทําให้เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วมันก็เกิดอะไรตามมาเกิดปราโมทเกิดปิติเกิดปัสสิปสัสธิคือความผ่อนคลายกายและใจเสร็จแล้วเกิดอะไรตามมาเกิดสุขแล้วก็สมาธิอันนี้พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นอย่างละเอียดเลยนะว่าเมื่อเร า, าเระลึกถึงพระผู้ธรมประสงค์เนี่ย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 เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ก็สี่ข้อเข้าไปละการพิจารณาถึงความไม่งามของร่างกายอาการ32ซึ่งบางทีเราก็สาธยายกันที่เริ่มต้นได้ว่าเกศาโล ม, มานาขาทันตาตาโจนี่อันนี้ก็เรียกว่ากายคตาสตินะก็เป็นอนุสติหนึ่งในสินั่นจะเห็นได้ว่า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 ในบรรดากรรมฐานแบบพุทธซึ่งมีมากมายนะอย่างที่พูดมาเฉนะพาะเรื่องสัมมาสา ม, มาธิขั้นสีสิบวิธีเนี่ยก็จะมีสัมมาสติหรือสติปัฏฐานสิ่นี่เป็นแกนกลางเป็นัวดใจนะถึงเรียกที่นิวาสถาบันสติปัฏฐานเพราะาเราเนนเรื่องการสร้างสติสัมปชัญญะ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 แต่ว่าแกนกลางของเรานะก็อย่างที่พูดคือการเจริญสติและสติปัฏฐานก็ยังแยกย่อยได้อีกเยอะเลยนะเฉพาะกายานุ ป, ปัสสนาเนี่ยนะก็มีทั้งอนาปานาสติก็ใช่มีทั้งการมีสติรู้ในอิริยบทมีความรู้สึกตัวในสัมปัชัญญะนี่ก็ใช่หรือว่าการพิจารณาร่างกายเป็นการเห็นร่างกาย ว่ามันประกอบไปด้วยทาส่นะก็ใช่หรือแม้กระทั่งการาพิจารณาความน่าเลื่อของสังขารนี่ก็ใช่นะท่านก็เรียกเป็นหมวดหมวดว่าอิเรียบทสัปชัญญะปฏิกูลมนสิการธาตุมนสิการนะวสีวติกาเนะี่ยไอพวกนี้ก็เป็นวิธีการย่อย ของกายานุปัสสนาแต่ว่าที่นี่เราก็จะเน้ น, นแค่สองสามวิธีนะก็คืออิเลียบทกบสัมปัญญาอิเลียบ ท, ทั้งเป็นอิรียบทธรรมชาติแล้วก็อิรียบ ท, ที่เราสร้างขึ้นก็คือยกมือเคลื่อนไหวเป็นจังหวะหรือจะเพลิกมือไปมาหรือว่าจะคลึงนิ้วอันนี้ก็ได้จุดหมาคือการสร้างความ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 การมองการเห็นการได้ยินสิ่งที่ควรเห็นนะอันนั้นเป็นในเรื่องอายตนะแต่ที่ดิงท่านเน้นเรื่องว่าการรักษาใจไม่ให้กับเพื่อนไม่ให้ยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปหู้ที่ยินเสียงเพื่อนคือเมื่อเกิดผัสสะทางอายตนะหตรงนี้ก็คือสตินั่นเองละได้ด้วยสติเพราะสตินี่เป็นหัวใจของการสำรวมอินทรีย์ ทำให้การใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยส่งผลต่อใจอกุศลธรรมไม่ครอบงำเราใช้สติเป็นแกนเลยในในเวลาที่ต้องสำรวจอิทสีอันนี้ก็เรียกว่าละได้ด้วยสติยังมีวิธีอื่นอย่างเช่นละด้ด้วยการเสพนะเสพอะไรก็เสพปัจจัยสี่ะเวลาเราเวลาเราหิวเวลาเราร้อน นะ้าเรากินอาหารเรามาหลบอยู่ใต้ใชายคาเรามีเราใช้เครื่องนุ่งหม่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละนะละอาสวะอย่างหนึ่งนะเรียกละละด้วยการเสพด้วยการใชนะ้แต่ว่าต้องใช้กมีสตินะคือมีพิจารณาเพราะถ้าเราเสพเรากินด้วยไม่พิจารณาก็เกิดตัณหาขึ้นมานะก็เกิดทุกข์อีก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 ละได้ด้วยการเสพอย่างการการใช้ปัจจัยสี่การกินอาหารนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะเพราะมันเป็นการละอาสวะได้แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องพิจารณาด้วยอย่างที่เราเสดปฏิสังขัยโยตอนตอนฉันน่ะอันนั้นแหละคือเป็นการเป็นการปฏิบัติธรรมในข้อที่เราละอาสวะได้ด้วยการเสพละได้ด้วย ความอดกลั้นอดกลั้นต่อความร้อนความหนาวอดกลั้นต่อต่อยุงที่มันกัดแมลงที่มันก่อความรำคาญแทนที่จะโกรธมันเราละเราละด้วยความอดกลั้นคือมีขันติถ้าไม่มีขันตินี่สติก็แตกนะสติก็ก็เจิงเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญบางคนสติยังอ่อนอยู่ก็ใช้ขันติแทนก่อนอดกลั้นเอาไว้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 ขันตินั่นเองละได้ด้วยการละเว้นการละเว้นการเหลีกนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเมื่อวานนี่เราสวดมงคลสูตรละก็เป็นการละอย่างหนึ่งคือการละคนชั่วการอีคนชั่วอเซวนาจับพาลานังการไม่ควบคนผานเอาคนผานมาใกล้ๆแล้วก็หนีไปซะไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่ก็เรียกว่าเป็นการละด้วยการละเว้นหรือว่ามีที่ไหนมีสิงสารสัตว์เยอะ ตรงนี้นะเป็นลังงูเป็น เ, เป็นลังต่อลังแต่แล้วก็เราก็หนีไปห่างไปไกลๆนี่ก็ใช่นะละอสวรรคด้วยการละเว้นแล้วก็ละได้ด้ยการบันเทาเจ็บป่วยขึ้นมาอา่าเราก็บันเทานะกินยาหรือว่านั่งเมื่อยเราก็ลุกเปลี่ยนเรียบ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 เกิดความอยากเกิดตัณหาขึ้นมาหรือบางทีทาให้เกิดพยาบาทนะทำให้เกิดความทาให้เกิดโทสะเกิดความไม่ชอบนะยุงกัดทาไมอดกลั้นนี่ก็จะโรกรธมันมากนะตกมันอยากจะตกมันอยากจะบี้มันนะถ้ามีความอดกลั้นหรือมีสติเออเราก็ไม่เดือดร้อนกับมันนะเราก็ไม่มีจิตพยาบาทไม่มีจิตที่จะมุ่งร้ายทำลายมัน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 ส่วนที่เหลือเป็นตัวรองเป็นตัวเสริมเอามาใช้เสริมเอามาใช้สนับสนุนถ้าเราเขา้าใจนี้ได้ชัดการปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่สับสนไม่ค่้ยเควนะแล้วก็มีเป้าที่ชัดเจนอ่ชาช้อนี้ก็พูดกับเท่านี้ครับ